หลวงพ่อจะได้ไปแสดงรรมที่วัดโพธิสมพอรอุดรธานีครบรอบร้อยสามปีร้อยสามปีของหลวงปู่วัดโพธิสมพรเขาประกาศทางวิทยุเสียงธรรมของหลวงตาฮะ่ะตามไม่จริงวันที่สิบเป็นวันเกิดหลวงปู่ ก่อนิมนต์หลวงพ่อไปเทศวันที่เก้าตอนเย็นประม่านซักถุ่มหนึ่งสวดม่นเย็นประม่าณถุ่มกกว่าหลวงพ่อก็คงจะได้แสดงธรรมข้าวนี่ยเขาจขึ้นให้นิมนต์ขึ้นไปเทศอยู่เจดีปีที่แล้วไปเทศอยู่ศาลาใหญ่ศาลาปฏิบัติธรรมก็คนหลายเลยหลวงพ่อไปเทศปีกายนี่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 ในมาในพระไตรปิฎกอธรรมปัทตกถามาในพระไตรปิฎกแต่ว่าเข้าวาดตปลายมือเข้าวัตะปลายมือแต่ว่าการบำเพ็ญของเพลินตั้งแต่ตนมือเข้าบริคิดเข้าบริวาตโดยมากเขวัาแต่เป็นอย่างก็จังเป็นเศรษฐี แต่ว่ากรที่เขาจะเป็นเศรษฐีเนี่ยเขาหล่มลุกคุกข้านเขาเห็ุอย่างมากแน่เขาตั้งตนโดยจังไหรอันในห้องบริคิดห้องคิดแต่ว่าเขาเป็นเศรษฐีแล้วอันนี้คือกันสันติมหาอามาตเนี่ยเพิ่นได้สร้างบารมีมากในอดีตชาติมากมม้มหาศาลแล้วกับพระเจ้าจุดโทษธนะก็คือกันก็ได้บําเพ่นแต่สำเร็จเป็นพระรหันต์คือกัน พระบิดาของพระพุทธเจ้าของเฮาแล้วก็นั่งเขมา ก, ก็ได้สําเร็จเป็นพระรหันต์ก่อนที่จะบวชเป็นภิกษุนีก็ไม่หลายคนที่พอได้ฟังธรรมเทศนาแล้วก็ได้สําเร็จเป็นพระรหันต์แต่กัญญาโมเมนของใดง่า ย, ายเพราะเหตุว่าเป็นครหัตหยติโน้มเครื่องพันธนาการ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 นักโทษอกสกันนักโทษนักเห็นใส่ใหม่ใส่ข้อตีหลอกไปไปบ่อยกิริยมัดขาอีกต่างหากแล้วก็มัดแขนใส่กันอีกต่างหากเป็นเพราเป็นเครื่องพันธนาการที่เห็นแล้วบ่ ม, มีโอกาสที่จะสลัดหรือว่าหนีออกจากส่วนตวนเล่านี้ได้พระสง์เห็นแล้วโอ้เห็น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 พระสงฆ์ทั้งสามสิบกรุปที่พุทธม้าจากป่าดงนะปังเป็นไปเที่ยวทุดงกลับมาโอ้ขนาดเห็นขนาดนี้ก็ยังมว่าพอแห้งแล้วลเครื่องพันธนาการที่หนาแน่นกว่านี้ไหมมันเขาเห็นอย่างไร้แร้ประเจ้าผ่านนะพระสงฆรร์ทำพระพุทธเจ้าบอกว่าเครื่องพันธนาการแต่มันเป็นเชือกอ่อนๆหลวมๆแต่แก้ได้ยากยากกว่าตอนนี้เอง พรสงฆเลยถามมันเรื่องอย่างพระเจ้าค่าวบนวันเนี่ยสังหาริมทรัพย์สังหาริมทรัพย์สังหาริมทรัพย์คือทรัพย์เซ็นเงินค้ำทรัพย์สมบัติของใช้ต่างๆอันนี้ว่าสังหาริมาทรัพย อ, พยอ ส, พย ส, พยสังหาริมทรัพย์ก็คือผวกที่ดินพวกตึกล่านบ้านช่องที่ของนัก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 มันเป็นเครื่องที่มัดยางแน่นหนาหมันคงคานาวาบอมมีบัณฑิตนักปรลดัดมากแก้ให้มาสีแจ่งให้ฟังพวกเล่าทันทั้งหลายบอมีโอกาสที่จะสลัดโซตวนที่มันมัดขอ ง, งอ่อนๆเนี่แกสลัดออกได้นอกจากบัณฑิตนักปลดัดที่มาสีแจงให้ฟังเหตุผลให้ฟังถึงขนาดนั้นแก็ยังไม่ยอม ยังพยอมทีชะสลัดมันไปยังเห็นว่ามีความสุขกับสิ่งเรานั่นอยู่นี่แหละเครื่องผูกที่ผูกหย่อนหย่อนอ่อนแต่แก้ได้ยากคือสมบัติพัฒฐานเหล่านี้แหละพระพุทธเจ้าคนเปรียบเทียบมาในในพวกเขาคิดเบินลูกบาเนเ่ยโซตัวเรานั่นเน่เขายังสลัดทิ้งออกได้เแต่ว่าสิ่งเ่านี่ แก่ได้ยากเพราะท่านพู้ที่จะได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์อย่างพวกคารวะญาติโยมเยพราะมันเป็นของแก่ได้ยากขนาดนั้นละ่ะแต่จะได้สำเร็จมักสำเร็จผลมันมาเป็นของไรง่ายๆขันวาบ่มีบุญนักสักใหญ่บุญบรมีมาตังเก่าแก่อิลีอย่างสันตติมหาอามาตที่หลวงพ่อได้บาไในงานวัน เกิดของลงปูปีที่แล้วเกิดขอ้นเป็นเป็นอํามาตย์ของพระเจะเ้เาปพัสดีแล้วก็ชนบดกำเลิกใครขาว่าเกิดชึ๊บพกแข็งขอคือมาในหัวเมืองพระเจ้าประเสดีก็เลยทรงสันติมาหาอํามาตย์ไปปราบปิดปากปัจจามิตรป ร, ปราบปราบข่ามาได้พระเจ้าปรพเสดีก็เลยหายร่างวัน่นบากเออเอาท่านไปปราบ อํามาดไปปราบปัจจามิตรมาแล้วควรจะให้รางวั่นวรจะให้เป็นพระเจ้าแผ่นดินเจ็มื่นนี่คือรางวั่นลงวั่นแปลว่าลางวั่นสูงสุดนะห้เป็นพระเจ้าแผ่นดินเจ็มื่นในขณะที่เป็นพระเจ้าแผ่นดินเจ็ดหมื่นพญาปรีเกิดไปอยู่อีกมุมหนึ่งเ่ราะห้ยไผเห็นปืนไปอยู่อีกในเวียงในว่างกระห้นี่แหะพระเจ้าแผ่นดินเจ็ดหมื่นขี่ข้อสร้างอ่อบานอ่อบเมืองละ ได้รับลังวัน้นเลยลังวั้นสูงทรงสูงสักอก็มอบอสาวสวยอีกอแล้วก็มอบแนวไหสิโลกทางไหนเขาต้องการมอบไปมดัดมัดไปนี่คือพอเป็นพระเจ้าแป่นดินเลอสันตติมหามารเลยก่อนได้หลับไล่าชาสงเคราะห์ที่ได้เป็นพระเจ้าแป่นดินนะครับ เป็นพระเจ้าเปดินเจ๊ดมือเราเลยนคณะเป็นพระเจ้าเปดินเจ๊ดมือเนี่ยกิดมั่นก็อยู่ในว่างว่นของนี่แหละเอสุลาพาชีนี่แหละพอนางไปเอหน้ารี่นะเอหน้ารี่สุราอผ้าชีการสนุกสนานเนี่ยไม่บรเวณการที่หน้ารี่กับสุราก็อยู่ในตัวนี่กินยังบปลืมหูปลื้มตา เหล่าดีๆเขามากกินว่ะไปสาวสวยๆในยุคสมัยนั้นแปลว่าลุ่มหลงหั่วเมอากับโลกกี่อย่างลุ่มเริ่มหูเริ่มตาบอกขึ้นพอได้ครบเจ็ดมือไปไปเป็นพระเจ้าแผ่นดินหกมือมือที่เจ็ดนอแปลว่ามือชุดท้ายล่ะเนี่ยกับป้าคันไปเล่นท่าน้ำ ไ, ไปอาบน้าชำระกาย ไปสนุกสนานใ้ท่าน้ามอี ก, กนะพอไปหอดท่าน้ำอาบน้าขึ้นนันะกตั้งโงดนตรีขึ้นมาสนุกสนานเป็นอัคคมเหสีไม่ปรเดีนนก๋กินเขาาจะหกย็ดมือเพื่อจะให้ควา ม, มอ่อนแอมีในการเล่นเต็นดะบาลี่ล่าไป ขาดอาหารบริกนเขาหน้าก็เลยเป็นล้มพับตายเขนะไปในทานาำแต่สันติมหามาตเห็นเมียไม่ตายเท่านั้นแหละขีเหล่าทั้งหลายที่กินมาเนี่ยหายมัดตัวไปแต่พอก่อนที่จะตอนเช้านั่นะพระพุทธเจ้าก็ับพระสงฆ์บิณฑบาตเดินเข้าไปในถนนเดินไปบิณฑบาต แต่สันติมหาอามาตอยู่ในข้อสร้างวัดไปในข้อสร้างเรียบพนักคพรพอเป็นพระเจ้าเป็นดินไปทางใดคนเกิดโยกย่อปอปั้นตบใหม่ตบมือใจโยโ่หู้หิวใหม่พ่อเป็นพระเจ้าเป็นดินเจ็มือพอนางข้อสร้า ง, ขงเขามาเมาเหล่าต๊ ะ, ะตแหลบโต๊ะแหลอยู่ข้อสร้างวัดไปแต่ว่าเห็นพระพุทธเจ้าพร้อมกับพระสงฆ์เดินสวนทางมาบินธบาต แง่งระลึกได้เนี่ยคือเป็นพุทธะที่เคารพนับถือสูงสุดในจิตใจเขาเนะีขนาดเมาขนาดนั้นเนะ่ขาอยู่ในข้อสร้างยังยังประงกหัวไปแสดงความขลาวะประงกหัวแสดงขลาวะพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ก็มองมองดูสันติมหามานเพินก็เลยยิ้มแย้มพระโอษฐ พอเห็นสันติตมหามาตรผงกอยู่ในข้อสร้างแสดงความคารวะเคารพอย่างสุดซึ่งในจิตใจพระพุทธเจ้ามองเห็นพระองค์แย้มพระโอตแต่พระ พ, ระพุทธเจ้านจะแย้มพระโอตต้องมีเหตุเจ้าก่อนนะบวกคือพวกมีกิเลสยังพวกเฮานะฮะกัรผัวกกิเลสพวกเฮาเพาะเขามือควักกระแดก็ไปนะขั้นมึงมีความขับได้ให้มึงเอามือควักกูเด้เหรอท่านมือควักจะไปหัวอ้ากอากอากระโดดลงไป อาจจะพว ก, กีเหล่าแต่พระพุทธเจ้าน่ยกนรพณนสีแย้มพระโอษฐ์เนี่ยมันต้องมีเหตสุสะกก่อนพอเห็นนะสันตติมหาามาตรประงกศีรษะคารวะกราบคารวะเท่านั้นพระพุทธองค์แย้มพระโอษฐ์ก็ยิ้มยิ้มน้อยๆพอให้พระอนนท์ได้เห็นพระอนนท์ก็ได้กราบทูลพระพุทธเจ้า ว, ว่าการที่พระองค์แยมพระโอษฐ์นี่ด้วยเหตุอะไดเนาะไปเจ้าขา พระองค์ก็บอกว่าอานน n วันนี้สันติมหาอามาตเขาจะไปสู่ท่าน้ําเมื่อไปสู่ท่าน้ําแล้วนี่แหละจะมีอะไรเกิดขึ้นล่ะ ว, วันนี้แหละสันติมหาอามาตเขาจะได้สําเร็จเป็นพระอาหารหันต์วันนี้แต่ว่าการตรัสเพื่อการเทศรลอวการพูดของพระพุทธเจ้า ขั้นว่าหากว่าพระพุทธเจ้าจะให้ได้เงินเอ่อจะให้ได้เงินแปลว่าเสียงนั้นดังไปมดัดยิ่งกว่าโทรทัศน์ยิ่งกว่าวิทยุวิทยุโทรทัศน์นี่แปลว่าเปิดจะก่อนยังได้เงินแต่นี่ข้ามพูดด้วยความตรัสของพระพุทธเจ้าเนี่ยไผอยู่ในจอกในจอกในศอกในมุมไดเนีได้เงินมดัดเออพระพุทธเจ้าตรัสว่าเมื่อนี้ตอนเย็นสันตติมหามาตจะได้สําเร็จเป็นพระหรหัสนี เออค่ำนี่แหละเออขนาดคนหูหนวกยังได้ยินวนลงไปเพราะว่าพระพุทธเจ้าพนสางบารมีมาได้ขันว่าพนอยากเบายังให้ได้คนได้ยินให้ได้ยินมดจนหอดสวรรค์สั่นพมจนหอดเวจีมหานรกขันผูกกันขันพนอยากให้ยินได้ยินนี่แหะบารมีพระพุทธเจ้าพนสางมากบารายคนทั้งหลายได้ยินแต่นวมือนี่สันทติมหามาดจะได้สําเร็จเป็นพระหัน์ พวกที่ตอตานพวกที่บอเสือลงไปโอ้ส ม, มณะกี่ตัวอีกแล้วส ม, มณะโคตรห่มเนอเออสันตติมหาหมาัดกินเหล่าเมาจนวาวหัวฟัดหัวเวียงเอออยู่ข้อสร้างต๊ะแล้วระต๊ะแห ล, ะะแหล่จได้สําเร็จเป็นพระรหันต์เอาความใดมาเบอกสันตติมหาหมาัดขี่เหล่าขนาดนี้จะได้สำเร็จได้จังได้แต่ผู้ที่เขารบนับถือเหลื่อมใสพระพุทธเจ้าเปิ้ลก็บอกเออ ถ้าค่อยดูพระพุทธเจ้าในตรัสคําใดต้องเป็นคํานั้นหนึ่งไม่มีสองถ้าค่อยดูค่อยดูพุทธลีลาของพระพุทธเจ้าเมื่อนี้พระพุทธองค์จะแสดงพุทธลีลาให้พวกเราได้เห็นไปค่อยดูก็แล้วกันนี่แหละคนสองคนคนสองกลุ่มเนี่ยพวกหนึ่งเบาเสื้อก็อยากไปเบิ้งไอ้พวกที่เสื้อเนี่ยเอยากไปไปเบิ้งไปเบิ้งในความเคารพนับถือเลื่อมใส ไอ้พวกที่พ่เสื้อเด็กไปเบิ้งเพื่อจะได้ nh nh หนョยยันหัวลงไป nh nh หนอยยันไปสมณะโคดมกี่ตัวเนี่ยอันนี้แหะคือคนสองคนบ่าวายุคนั้นสมัยนี้มันเป็นยังสี่ล่ะโลกนะไปเนี่พ่อตกตอนเย็นมากว่านี่ฉันจะติมหาอาํามัดตอนใบใบไปต่างบ้งกินเหล่ายัางที่ว่าน่นางาก็จแสดงความอ่อนแอน เอาไปบ้านล่มพับลงกลางบ้งเนะี่ยเป็นล่มเลยตายเล็ ว, นะวนี่ยไปเขย่านรู้ไหมเขย่ามันตายแล้วฉันไปเจ้าแพ่นดิตไม่เนี่ยสร้างรถสังเวชจ่า ย, ยางแลงเลยโอ้ขี่เหล่าทั้งหลายหายหมดความเม า, นะเา่ะเออความเมาเนี่หายแล้วนะไม่ได้คืดถึงไผนะ่คืดถึงแต่พระพุทธเจ้ามาเนะี่ พระพุทธเจ้าต่นนั้นจีแกลความโศกให้ขาไปเจ้าได้ข้าวน่อนอกผู้อื่นบ่ไม่ผู้ใดจีแกลความโศกให้ขาไปเจ้าได้ขาไปเจ้าความโศกข้าวนี้เป็นวารุ่นแรงที่สุดในชีวิตที่เมี่ยงพ้นตายพันไปกันลึกถึงพระพุทธเจ้าอย่างเดียวจากนั้นก็เด้งมหาพระพุทธเจ้าเลยอพระพุทธเจ้าม้อหอดแล้วคลอยรับแล้วคนทั้งหลายคืนสองกลุ่มอย่างที่วานี่ย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 ไม่ไม่ใช่พบเดียวชาติเดียวตัวนี้นะอดีตชาติมันมีแต่นี่ชาติหนึ่งในอดีตชาติเธอก็เคยสลดสังเวชเคยทุกข์อย่างนี้มาก่อนแล้วในอดีตชาติาพวกองค์เทพให้ฟังโลกมันเป็นมาจังสี่แหละเกิดมาในภพนี่เกิดมาในโลกเนี่ยเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารลุ่มตุ่มดอนรอนเกิดเกิดตายตา ย, ตา ย, ตายทุกทุกจนจนเสีย อ, อกเสียใจมันมีอยู่จึงสี่แหละ ทางที่ดีเลยไม่เกิดอีกชำระใจแห่งบริสุทธิ์รุดพ้นจากอาสวะกิเลสบ่เกิดอีกนั่นล่ละดีที่สุดสันติมหามาตยินพระองค์ดงเกศตรอนิจังทุกครั้งอนันตาแนวอริยสัจให้ฟังสันติมหามาตไข่ก้วนไรตองตามทรรคคำสอนของพระพุทธเจ้าได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์เออ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 แต่พวกหนึ่งน่นมาจับพิดว่าส ม, มณะโคโดมโกหกสันติมหาห ม, มัดเมาเหล่าถึงขนาดนี้แล้วจ ะ, จะได้สำเร็จพาาระงหันจะขาสซูนีพลาด เ, เป็นไปบ่ได้นี่คนสองกลุ่มที่ฟั่งอยู่นี่ที่ยืนอยู่นี่ที่นางฟั่งอยู่นี่ พ, พ่อพระหนั่นเธอต้องแสดง ความบริสุทธิ์ให้เขาได้ยินในฟังด้วยเพื่อแก้ความกังขาเขาพระเจ้าข่าสันติมหามารกัเลยพ่อจะเนี่ยถอยออกมาแล้วก็กลาบกราบพระพุทธเจ้าครั้งหนึง่งเหาะขึ้นไปบนต้นตาลให้ไข้ขาว่าสูงขนาดต้นตาลหนึ่งสุดชั่วลําตาลหนึ่งต้นลงมากกลาบพระพุทธเจ้าอีก ฮอขึ้นไปสองตนล้ำตานสูงขึ้นไปอีกแล้วล่งมากกาอีก่อขึ้นไปอีกไปอยู่ถึงสามตนล้ำตานจากนั้นแสดงถ้ำบัดบุพกรรมของข้าพเจ้าในอดีตชาติท่านเอออดีตชาติของข้าพเจ้าได้สั่งคุณงามความดีมาแบบไรแบบไรแบบไร้บัยรไร้ย่ายบัดเลยคนทั้งหลายก็ น, นั่งฟังอยู่ทางไต่ กรรมดีกรรมชั่วมีจริงถ้าผู้ใดทํากรรมชั่วกรรมชั่วจะตามสนองถ้าได้กรรมดีกรรมดีจะตามสนองคาพระเจ้าทํากรรมดีอยมีดังต่อไปนี้เป็นกรเบ้าให้ฟังพ่อแสดงจบแล้วก็ลงมากกาพระพุทธเจ้าอีกข้าพระ อ, องค์ขอลาปรินิพานพระพุทธองค์ออเออไปตามการอันควรเธอทเถรนะสันติติอมัตพ่อเบาแต่นันกาพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วก็ แสดงอิทธิฤทธิ์เหาะขึ้นบนอากาศ้ไปคือกันกั บ, บังไฟเมื่อไฟแสนแนี่สันนะขึ้นไปแลยอากาศกัดกััดกักกขึ้นไปเม็ดาบาดันไฟใหม่เลยร่างกายเพลนพราเพลินเพ่งเ ต, โ, ตโชเลเพลนมีอิทธิฤทธิ์เลยเตโชกสินเพล่นในสาเร็จเป็นพระอรหันต์แบบเตโวิโชสละพิญโยปฏิสามพิทพัตโต เป็นพระหรหันธ์ที่มีอภินิหารพระหรหันธ์ไม่อยู่สี่จำพวกสุ ข, ขวิปัสสโกนลู่แต่ว่าตัวเองได้สําเร็จแต่บ่มีอิทธิฤทธิ์แต่เป็นผู้มีปัญญาเต็บมบ่มีบ่บ่ห่อเหินเดินฝ่าบ่าได้แสดงฤทธิ์บ่ได้อันนี้เลยว่าพระหรหันธ์สุ ข, ขวิปัสสโกแต่เตวิชโชสละพิญโยปฏิสามพิทักประตนสามจาพวกนี้ เป็นผูมิลิทธ์เฮอเหินเดินฟ้าได้แตกฉานในอัดในถ้ำสีแกงเรื่องต่างๆออกเรื่องย่อให้พิจดานได้นี่พระหรหัสสามจำพวกนะแต่ว่าสันตติมหาอามาตเปินอยู่ในสามจำพวกหลังเนี่ยนะเตวิโชสละพิญโยปฏิสามพิทพปโตเนี่ยเพิ่นได้สำเร็จแล้วเพิ่นก็เหาะแสดงอิทธิฤทธิ์เพ่งเตโชกศิลกับวายโยกศิลขึ้นไปบนอากาศ ใหม่พอปันบังไฟพ่อขื่นไปอะไรกัอธิธาต์ของพลก็ลงมาเลยบ้านี่ยปอกแป๊กปอกแป๊กลงมาตามพระพุทธองค์บอกเอ้าเอาผ้าขาวลองลองรับเนี่ยพระองค์ให้เอาผ้าขาวลองรับปานหอธิธาต์พระาธาตุของพลกัดตกลงมาในผ้าขาวนะพระองค์บอกว่าอันนี้คือพระหรหันให้นำอธิธาต์พระาธาตุของท่านไปปฏิสถานไว้ในทางสีแพร่ง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 พระพุทธเจ้าพระปฏิเจกพุทธเจ้าพระหารตถาวกพระเจ้าจักรพรรดินี่แหละอันนี้คือที่หลวงพ่อได้พูดในเรื่องสันติมหาอมาตให้กับคณะสัทธาญาติโยมทั้งหลายฟังนี่แหละสรุปแล้วก็คือผู้ที่ปฏิบัติปฏิบัติชอบบ่ได้เลือกว่าเป็นพระเป็นเจ้าบ่ได้ว่าคลาวาญาติโยมยางพระผู้หญิง ก็ได้สำเร็จเป็นพระรหันต์หรือนา่งเกม่าพระอากกามเหสีของพระเจ้าพิมพิสารในยุคปัจจุบันเงี้เลากวามมันใจของคุณแม่ชีแก้วนี่เลยกระดูกของเพิินเป็นพระธาตุในขั้งพุทธกาลกับมีมากเป็นพิกษุนีที่สําเร็จเป็นพระรหันต์และเป็นพระกระบวว่ากันล่ะแต่เป็นคารวัตก็ได้สําเร็จเป็นพระรหันต์ก็คือที่ปณิบงบอกในพระไตรปิทกก็คือนี่ละสันติมหามาต พระเจ้าจุดโทษธนะเนี่ยแต่ว่าเป็นพระอสําเร็จเป็นพระรหานี่มากไหมม า, มากมากกว่าพเพราะเพิ่นออกมากหนาทีอันเดียวแต่พระโตกนรกไม่ไหมีเที่ยววัดทัดเนี่ยเป็นหัวหน้าเป็นหัวหน้าทั้งไปเอเวจีมหานรกคนไปเพราะนั้นนรกเนี่ยเพราะเต็มขึ้นกันคอย ค, อ ย, คอยตอนรับพระซัวขึ้นกัน่ะขั้นพลายซัวกันนั่นนะลงนรกขึ้นกันอผู้ใดดีก็ไปสู่สวรรค์ได้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 แล้วก็มือเด้งกับเนียวประตูรถบัสเข้าไปเนียวประตูรถบัสโดดเข้าประตูร ถ, ถ ร, รถบัสไปเลยเถ้าว่ามันลุดมือบัสเนเออมันลุดมือจากประตูรถบัสเนี่งายหลังแล้วว่าเนี่ยตกบอแ ล, ล้วเนี่ยไปตกบอลคือยั ง, งตกนรกไปคาดว่าคนที่ไปนิพพานหรือไปสวรรค์กับเหยียบปากบอล ก, ก็บถีบเข้าไปเลรื่อยๆเหยียบปากบอล ก, กันจันทเข้าไป ประตูรถบัดรถไฟเลยวันนไปประตูเครื่องบินเลยถ้ากาวันลถประตูลงมากกัหงายหลังกันล่องนรกกรเวกจีเพราะอไดไเพราะชีวิตของพระนี่เนื่องด้วยผู้อื่นเบื้งโน้นเนี่ยตั้งแต่อาหารแต่ละเข่าแต่ละค่ําอาหารของเห่าพานูหฮมเนี่ยเหาได้ไปทํามาค่าขายบอเห่าได้ทํามาหาเลี้ยงฉีพเล้าอื่นบอเป็นเครื่องเขาทําบุญมาทั้งหมด เพราะนันเมื่อเข้าถ้ำความชั่วคิดชั่วถ้ำชั่วพูดชั่วขึ้นมาเนี่ยนั่นแหละเข้ากับพร้อมที่จะตกนรกใดขึ้นกันเพราะเข้าใช่ของเขาโดยที่ไม่ได้คิดในอานโดยที่ไม่ได้เมตตาเมตบุญสั่งคุณงามความดีให้กับเขาเข้าไปกินของเขาแล้วพ้อมที่จะตกนรกแต่ว่าคันนาว่าเข้าประพฤติปฏิบัติ ด, ดีคิดดีถ้ำดีพูดดีเข้ากับพอมที่จะกระโดดเขาสุนิพานสวรรค์นิพา น, น, พานใดง่ายๆ นี่แหละพะะนั้นขอให้พวกเข้าท่านทั้งหลายนะคิดคิดดูให้ดีก็แล้วกันเพรา ะ, ะนั้นเป็นเป็นพระในวันนี้นี่ยชีสนุกสนานนะต้องอยู่ในศีลต้องอยู่ในถ้าต้องคิดอยู่ในศีลคิดอยู่ในถ้ำคิดอยู่ในหลักร้ำวินัยถ้าาว่าพวเข้าคิดใดถ้ำใดผูวใดในศีลในถ้ำแล้วมีแต่ความผาสุกแต่ว่าขั้นเท่า มิถึงกินเขาเข้าแล้วใช่ของเขาแล้วมีถึงคิดเรื่องบาดเรื่องเมืองเรื่องลาบเรื่องยศเรื่องพอเป็นเรื่องมีแต่เรื่องกี่เลสพร้ อ, อ, พอมที่จะตกนรกแต่กว่าคิดเห็นอันิจอยงทุกขังอนัตตาเห็นไตรลักษณ์ร่างกายสังขารบอมเม็นของหมันของเทียงอีกสักหมื่นหนึ่งนะตายแน่แเอเสีงไหนจะเป็นขุนง่ามความดีอันไรจะเป็นบุญเป็นกุศลสําหรับขาไปเจ้าขาไปเจ้าจะทําสี่งนั้นให้มากที่ทศ ด, ดีที่ทด คิดดีที่สุดทำดีที่สุดโพดดีที่สุดอถ้าว่าพววเข้าคิดใจจังสันน่นะพระพุทธองค์เพิ่นบอกว่าเห็นอันนี้จังทุกขังอนัตตาเพียงลัดนิ้วมือเดียวคนนั้นก็คุ้มค่าของใช้ของเขาแล้วแต่ละวันะเมื่อเขากินมื่อเขาเมื่อเนี่ยแะไปคิดถิมิตรโซกันเรืเ่องการบานการเมืองมิตรเรื่องเที่ยวเรื่องเตะิตเรื่องกิเลสราคะโทสะโมหะ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 หลงลืมตัวจนเกินไปนะเป็นหนีเขาอยู่เป็นหนีเขาคูหมือคููเป้นหนีพอกพูนเลยกระนาวบกแกคุณอนุกกระล่างมาันมาลองเพลงศาสตร์ดิละเอารับพนนะ